ากันตั้งใจแล้วนานถึงจะได้มาพบกันครั้งหนึ่งก็ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจาึงได้ทรงสอนไว้ว่าอัตตาหิอั ต, ตโนนาทโถตนแลเป็นด่พึ่งของตนโกหินาทโถก ร, รโรสิยา บุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้อัตนาหิสุดันเตนะนาถังรัตะพติดุลพังผู้ใดฝึกฝนอบรมตนให้ดีแล้วยอมได้ที่พึ่งซึ่งหาได้โดยยากดังนี้ก็พระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสภาสิที้ไว้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 ไม่รบกวนแล้วมันก็สงบอยู่แหละอันที่มันพุ่งสร้างเลื่อนลอยกับพวกมันอยากอยาก่างใดอย่างหนึ่งนั่นเรื่องมันนะมันหวังว่าเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วตนจะมีความสุขแสดงว่ามันคิดหวังรึ่งตั้งแต่วัตถุสิ่งอื่นนี่ถ้าพูดในทางธรรมปฏิบัติอันึกซึ่งเข้าไป พระงค์พุทธองค์ทรงสองในให้พึ่งตนเองนี่มันก็มีหลายในในหนึ่งบุคคลผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะต้องฝึกตนให้ดีในทางโลกก็ตั้งใจฝึกตนให้ดีไปตามระเบียบของชมลมของสังคมนั้นๆ ให้มีวิชาความรู้ใส่ตัวเองให้ได้ในเมื่อตนยังหนีจากโรคอันนี้ไม่ได้ก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนดีคนมีวิชาความรู้ความฉลาดในหน้าที่การงานต่างๆและลงมือฝึกหัดปฏิบัติตามวิชาความรู้ที่เรียนมาให้ชำนิชำนานอย่างนี้นะ เมื่อเป็นผู้มีความรู้ดีแล้วการลงมือปฏิบัติก็ดีทํางานก็ได้ผลนะกวก็เป็นที่พึ่งของตนเองได้เช่นอย่างว่าคนมีความรู้ปฏิบัติหน้าที่การงานให้ดีขึ้นมันก็ได้เงินะเป็นรางวัลตอบแทนอย่างนี้นะ เมื่อบคุคคลมีเงินมีทองเขาแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งคนอืน่นนั่นเรียก ว, ว่าพึ่งความสามารถของตัวเองนี่เรียก ว, ว่าคุณธรรมของผู้ค้องอยู่ในโลกมันก็จำเป็นต้องฝึกตนถ้าคนเราเกิดมาแล้วไม่คิดฝึกตอนอาศัยตั้งแต่พ่อแม่เป็นอยู่ อาศัยตั้งแต่พี่น้องเพื่อนผุงเป็นอยู่แล้วตนเองไม่ฝึกขนหาวิชาความรู้ใส่ตัวเองอย่างนี้เวลาเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาอันพ่อแม่พี่น้องจะให้เราพึ่งอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีทางเพื่อนก็จะต้องบังคับให้ไปหางานทำให้เลี้ยงตัวเองให้ได้ อืมยิ่งวันโลกนี่มันจึงได้มีการแต่งงานกันมีผัวมีเมีย ม, ม, มีสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นเนี่ยจะไปอาศัยท้องพ่อแม่ตลอดจนอายุมากขึ้นไปอย่างนี้มันไม่ได้เขาไม่ทํากันในโลกอันนี้นะอืมยิ่งฝรั่งบางค้าวแล้วเขายิ่งอายุสิบแปดปีเขาบังคับให้ไปหางานทําด้วยตนเอง หาเงินหาทองเพิ่งตัวเองอ่าอย่างนี้แต่คนไทยเราเรียกว่าปฏิบัติตามคําสอนของพระเทเจ้าคําสอนของพระเทเจ้านั้นทรงสอนให้รู้จักผู้มีอุปการะแก่ตนอืมเรื่องคิดตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะแก่ตนนั่น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 พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ทีแรกนี่พ่อแม่ก็ช่วยเหลือกันแหละแต่บางคนนะ่ะเห็นว่าพ่อแม่เอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลแลราลืมตัววะนี่ไม่เกียรเกียกร์คลานทําการงานเกียกร์คลานในการเรียนบางบางตระกูลบางบ้านนะี่พ่อแม่มีเงินมีทองเอาส่งเสียให้ลูกไปเรียน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 ความปพฤติอย่างนี้ในทางุทธศาสนาเรียกว่าเป็นคนไวยไปในทางต่ำทางแห่งความเสื่อมของชีวิต <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนขอให้คิดพึ่งตนเองเมื่อพ่อแม่เลี้ยงจเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วก็ตั้งใจศึกษาเาเรียนวิชาความรู้ ฝึกตนให้เป็นคนดีขยันชอบการชอบทำการทำงานไม่เกียจคร้านหนักเอาเบาสู้เข้าไปให้นึกถึงอนาคาตของตนเมื่อตนใหญ่ก้าหน้าบ้านขึ้นมาแล้วตนก็จะได้พึ่งตัวเองบันนี้เราก็จะให้คนอื่นได้พึ่งบ้างพูดในทางโลกอันที่กล่าวมาแล้วนะั่นน่ะ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 หากว่าเมื่อกิเลสยังไม่หมดมันก็ไปทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างเอา้าตายลงกรรมดีกรรมชั่วนั้นคนนําดวงกิดนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เศรษฐสุขบ้างสเสวยทุกุขบ้างหมุนเวียนไปอยู่อย่างนี้ถ้ามเมื่อครูใดยังไม่ทาําไม่ได้พิจารณาเห็นโทษของกิเลสต่างๆหมอนี่ละก็ ไม่ภากเพียรม่ยามละมันอย่างนี้มันก็จะก่อทุกข์ให้ไปในสงสารเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บัง่งไปอย่างนี้ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งว่าการกระทำของคนเรานี่น่ะมันมันเป็นผลตอบสนองแก่ผู้กระทำ ไม่ใช่ว่าทำอะไรลงไปแล้วนะั้นมันจะไม่มีผลตอบสนองเลยอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดทำดีย่อมได้รับผลดีผู้ใดทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วอย่างนี้ในะมันหลักนี้แหละหลักสาคัญนะเพราะว่าลัทีิอื่นศาสนาอื่นเขาันไม่เห็นไปอีกอย่างหนึง่ง บางพวกก็เห็นว่าการทําดีหรือทําชั่วไม่มีผลตอบสนองอย่างนี้นะมีอยู่วยลัทธิในโลกอันนี้นะทําไปแล้วก็สักว่าจะทาแหละไม่มีผลตอบสนองให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไปในสงสารนี่ไอความเห็นอย่างนี้ก็ถือว่าตายแล้วศูนย์นั่นแหละพะยเป็นอย่างนั้นทีนี้บางพวกก็เห็นลงไปว่า โลกนี้เที่ยงอืเคยเกิดเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆบุคคลจะทําดีหรือทําชั่วอย่างไงก็ไม่ไม่มีผลตอบสนองอืมพวกนี้กับพวกหนึ่งอีกแต่ว่าถือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดขึ้นมาลอยๆเช่นผู้ใดเคยเกิดเป็นผู้หญิงมีรูปร่างสันธานอย่างไรอย่างไร เกิดไปชาติหน้าก็เป็นอย่างเดิมผู้ใดเคยเคยเกิดเป็นผู้ชายมีรูปร่างอย่างไรก็เกิดไปชาติหน้าก็เป็นผู้ชายอย่าง เ, เดิมอย่างนี้นะความเห็นของคนวางพวกนะอืมเป็น่งนั้นทีนี้ความเห็นของพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ซึ่งตรงกันข้ามกับความเห็นของพวกเหล่านั้นเลยอืมพระองค์ทรงตรัสว่าบุญมีจริงบาปมีจริงอย่างนี้นะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงผนิพานมีจริงข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งสวรรค์ก็มีให้ถึงซึ่งผลิพานก็มีอืมกรคำชั่วที่บุคคลทํามันย่อมนําไปสู่อาบายภูมิทั้งสี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 ได้มันก็นำไปให้เกิดเป็นเปรตแบบนี้นะอันลักษณะของเปรตนี่ท่านกล่าวไว้ในตำราเนะี่เป็นเปรตนี่ไม่ได้กินอาหารอิม่มหนำสำราญอดโศเป็นคนเป็นสัตว์ที่หิวโหวยอยู่อย่างนั้ น, นความเป็นอยู่ก็ไม่ไม่เรียกว่าไม่เป็นไปเพื่อความสุขความสบาย เป็นอยู่แสนยากแสนลำบากอันเปรตในีท่านกล่าวไว้ในตำรามีถึงสามสิบสองคำพวก น, นู่นนอืนบางกจ้พวกกินอุจจาระปัสสาวะของตัวเองกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเน่าน้ำเหม็นของตัวเองอย่างนี้ก็มีบางจะาพวกก็กินลูกของตัวเองอ มันสารพัดในตำราท่านเก่าไว้นะนี่แหละยังว่าเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องที่ตกแต่งให้คนเป็นเปรตนี่นะบางพวกก็ไปเกิดเป็นอสุรกายต่ำกว่าเปรตลงไปไม่ได้สวยทุกทนทรมานเสมอกับเปรตแต่ในในเรื่องอสุรกายนี่ไม่ชัดอันนี้นะบางกาพวกที่บาปกรรมไม่มาก ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่รีกว่าการทำความชั่วของคนเรานะ่ะยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันไม่เท่ากันเหตุฉะนั้นภูมิอันเป็นที่ไปเกิดของบุคคลผู้ทำครามชั่วมันจึงว่ายิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในมีเหตุผลนะทำไมเราถึงจะไม่เชื่อกันเนะี่ยเราดูกันก็ได้ปัจจุบันนี้นะบางคนก็ใจดเอมหิตมาก ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมากอย่างนี้นะชอบทรมานผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนขมเหงคนอื่นตัวมีอํานาจเหนือเขาข่มได้คมเอานี่แล้วอย่างนี้จะไม่ให้มันกำชั่วนี่มันตามสนองเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในโลกสงสารยังไงเล่านั่นเอง <c oughs> บางคนก็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 ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อของบุคคลขึ้นอยู่กับปัญญาความรู้ความฉลาดยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันไม่เท่ากันนี่เช่นนั้นผู้ใดมีปัญญามากก็ทํากุศลคุณงามความดีได้มากผู้ใดมีปัญญาน้อยก็ทําความดีได้น้อยอืม ศรัทธาในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนให้ต้องมีปัญญาประกอบด้วยอย่าไปเชื่อไปโดยไม่มีเหตุผลเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวอะไรมาจะเป็นเรื่องนินทาเรื่องสันนิษฐานเรื่องเห็นผิดเป็นชอบต่างๆอะไรมาหูนี่นะมัดถึงเข้า ท่านกล่าวไว้ว่าอย่าทําตัวเป็นคนหูเบาใจเบาน่ะเชื่อง่ายได้ยินคํำสรรเสริญละนินทามาบางคนน่ะหูเบาใจเบาพอมีคนมาพูดถอให้ฟังว่าคนนั้นละนินทาท่านคนนี้ยกโทษท่านอย่างนี้ไม่ท่านได้สืบสวนไม่ทำไม่ทันได้สืบสาวเราเรื่องตง่างๆเหล่านัเนี้ย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 มีเสียงสนเสริญระดินทามาเอเราต้องอดทนสกักก่อนเรื่องนี้เป็นยังไงหนอเนี่ยฟังไปสืบสวนไปค้นหาขมูลเหตุมันไปมันเป็นจริงหรือไม่หนออย่างนี้นะแต่บางอย่างก็อาจจะมีคนกลางไปสอดเสียดให้ก็ได้ปั้นเรื่องไปสอดเสียดให้คนทะเลาะ ก, กันก็ได้อย่างนี้นะนั่นแหละ ถ้าเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องยุให้ทะเลาะกันเปล่าๆนี่มันก็หายโกรธอมันก็ไม่มีเรื่องอะไรกันก็เป็นเรื่องยุแย่กันต่างหากอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีใจคอหนักแน่นท่านยังว่าการทําสมาธิภาวนานี่นะก็เพื่อที่จะฝึกใจให้หนักแน่นนั่นเองนะ มันเนี่ยควาสมาธิประวัติใจตั้งมัน่นเนี่ยก็ฟังเอาไปไงะยะบันทึกใจเราตั้งมั่นหรื อ, อยังอ่ะทุกคนก็ต้องสังเกตตัวเองเนี่ยว่าเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรกระทุกระทั่งมามันหวันไหวไหมมันคิดได้รู้ทันไหมหรือว่ามันวู้วามไปเลย พอได้ยินเรื่องไม่พออกพอใจอะไรมาเนี่ยมันฟุ้งไปเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยทุกค น, นะต้องรู้ตัวเองนะคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้เนะเมื่อรู้ว่าอจิตใจตอนนี้เมื่อเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆกระทบกระทั้งมามันยังดิ้นรนฟุ้งซ่านไปอย่างนีนะ้แสดงว่าใจยังไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมพอเนีอย่างนั้น ก็ต้องรู้ตัวพอรู้ตัวอย่างนั้นแล้วก็พยายามทําสมาธิให้มันเข้มงวดเข้าไปกว่านั้นอืบําเพ็ญตระปะทำให้มันแก่กล้าขึ้นไปโดยตั้งความอดทนไว้ในใจให้มากออดกั้นทนทานต่อความคิดความนึกที่มันเป็นไปในทางที่ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นแหะมันจะ เบนไปในทางที่เป็นทุกข์เป็นโทษตรงนี้เราอดทนอดกัน้นไม่วันไว้ไปตามไม่ไม่ไม่คิดไม่ปรุงไปตามอารมณ์ที่เป็นโทษนั้น <c oughs> อันผู้ฝึกตนเบื้องต้นนี่ต้องใช้ความอดทนเป็นพื้นซะก่อนในเมื่อตนยังไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบแ น, น่วแน่ลงไปได้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 เราอดกั้นทนทานไปความชั่วเหล่านั้นเหมือความชั่วเหล่านั้นมันก็ระ ง, งับไปเองมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะให้พากันเข้าใจอันนี้เรียกว่าเราละกิเลสด้วยอำนาจแห่งขันติธรรมอดทนทีนี้เมื่อเราอดทนไป นานเข้าจิตใจมันก็หนักแน่นเข้าไปไอ้กิเลสยับหยาบมันก็บรบกวนจิตใจให้ฟุ้งซ่านไม่ได้เราเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปมันก็ทังบลงได้ง่ายแบบนี้นะเขาว่ากิเลสท่านหยาบหยาบอันมันให้จิตคิดไปทางอากุศลทุกสงมันระ ง, งับไปแล้วด้วยอำนาจแห่งขันติความอดทน การทําสมาธิมันจึงเป็นไปได้สะดวกกว่า น, นี้นะเพราะมันยังเหลือตะ ก, กิเลตอันอย่างกลางหยางอ่อนๆเมื่อเราเพ่งเข้าไปแล้วมันก็สงบลงไปเองมันอืมมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจไอ้อุบายวิธีฝึกจิตนี่นะบางคนเมื่อทําจิตลงไปแล้วมันไม่สงบแล้วก็ท้อใจ เออเรานี่ททำไมหนึ่งจิตไม่สงบสักทีไออย่างนี้แล้วก็ไม่อดไม่ทนแล้ววานี้ปล่อยให้จิตเลื่อนลอยไปอย่างนั้นหละนั่นไม่ถูก